ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าสัมมาทิฏฐินั้นมี3ประเภทนะคือปุตุชนหนึ่งเสกขาบุคคลคือผู้ต้องศึกษาหนึ่งอเสกขาบุคคลคือผู้ที่ไม่ต้องศึกษาหนึ่งปุตุชนก็ดังที่ได้กล่าวว่าในบรรดาปุตุชนนะั้นในจํานวนบุคคล3จําพวก3ประเภทนั้นปุตุชนมี2จําพวกหรือ2ประเภทนะคือพาหิรักชนคือคนนอกศาสนา พาหิรักชาชนที่เป็นชนนอกศาสนานั้นเป็นกลุ่มของกรรมวาทีนะกลุ่มของมีคำพูดหรือคำกล่าวในเรื่องของกรรมและผลของกรรมและเป็นกลุ่มของกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิถ้ากลุ่มพวกนี้ถึงจะอยู่ภายนอกศาสนาก็เป็นผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐินี่อย่าลืมนะว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยในขณะที่บำเพ็ญบรารมีในจักรวาลต่างๆ ท, ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นนอกศาสนาเหมือนกันที่เริ่มต้นใช่ไม ฉะ น, นคนนอกาศาสนานั้นที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่เป็นกรรมวาทีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเนี่ยมีเยอะไหมเยอะแต่เขาจะเข้าใจกรรมนั้นมากน้อยเพียงไรอันนั้นก็ว่ากันอีกทีเพราะเขาก็เชื่อนะว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วใช่ไหม นรกสวรรค์เขาก็เชื่ออย่างนี้เป็นต้นนะแต่ว่าเขาเป็นมิจฉาทิฏฐินะอีกระดับหนึ่งนะคือระดับกรรมสกตาสมาธินี่เขาเป็นสมาธิิแต่ถ้าระดับวิปัสนาสมาธินี่เขาเป็นมิจฉาทิฏฐิคือถ้าฌานสมาธิฐเป็นต้นเนี่ยกลุ่มพวกนี้เขาเขาจะเป็นมิจฉาทิฏฐิในเรื่องนั้นในกลุ่มของอ า, าลาละดาบทุตกาดาบทเป็นต้นที่ได้ฌานสมาบัติเนี่ยถามว่ากลุ่มเหล่านี้เป็นกรรมวาทีไหมเป็นเพราะเขาเชื่อเนี่ยว่ารมฌานสมาบัติแล้ว เขาจะได้ไปเกิดในสุขติภพในภพที่ดีแล้วเขาพ้นจากทุกข์ได้เขาเชื่อแต่ความเชื่อของเขานั้นไม่รอบรู้จริงๆกัเพราะเขาไม่รู้อริยสัจเมื่อไม่รู้อริยสัจสี่ใช่ไหมแต่เขาเชื่อเรื่องกรรมและเชื่อผลของการกระทําอย่างนี้เขาเรียกกลุ่มบุคคลนอกาศาสนาที่เป็นกรรมะวาทีเคยเห็นเยอะไหมแม้แต่กลุ่มของบุคคลที่ประกาศตนเองเป็นาศาสนิ ก, กชนพุทธาศาสนิกชนชนที่นับถือ พระพุท ธ, ธเจ้า เ, าเป็นต้นเนี่ยในกลุ่มเหล่านี้ที่เป็นกรรมวาทีอย่างเดียวแต่ไม่มีสัมมาทิฏฐิที่เป็นวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิก็เยอะเลยนะประการต่อมาคือาศาสนิ ก, กชนคือคนในาศาสนาหนึ่งในจํานวนบุคคลทั้งสองประเภทนั้นฟาหีลกาชนปุรุชนผู้เป็นกรรมวาทีเชื่อกรรมชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความเห็นถูกต้องเอ๊ะฉันถ้าเชื่อกรรมมีความเห็นถูกต้องแน่เพราะกรรมนั้นมีผลจริงๆ ไม่ใช่ไม่มีใช่ไห ม, ไหมการกระทําทางกายเป็นกายกรรมการกระทําทางวาจาเป็นวาจีกรรมการคิดนึกทางใจเป็นมโนกรรมสิ่งเหล่านี้ย่อมมีผลรองรับหมดเลยทั้งดีและไม่ดีเขาก็มีผลมีวิบากของการรองรับเบ็ดเสร็จเนะื้อวิบากเขาแปลว่าอะไรแปลว่าสุขงอมนะ จากนั้นผลจะต้องได้รับจะต้องได้รับเนี่ยแต่ถามว่าเมื่ อ, อไหร่อย่างไรก็เหตุปัจจัยเยอะใช่ไหมเหตุปัจจัยมีอะไรบ้างวะคติวิบัติหรือคติสมบัติหมายถึงจะเกิดในในคติไหนในภพไหนภูมิไหนภูมิที่เป็นอบายภูมิหรือภูมิที่เป็นสุขติภูมิเนี่ยนั้นกรรมที่กรรมดีได้ไม่ดีจะมีโอกาสส่งผลจะเป็นตรงนั้นหรือว่าอุปธิสมบัติหรืออุปธิวิบัติร่างกายสมบูรณ์อายววัยวะสมบูรณ์หรืออวัยวะบกพร่อง คนบางคนแค่อวัยวะดีนี่เนะียผู้หญิงบางคนหน้าตาดีๆเนี่ยเกิดอยู่ในกลุ่มขอทานยังถูกเลี้ยงอย่างดีเลย เกิดในกลุ่มของคนยากจนเนี่ยยังถูกพระราชานําไปเลี้ยงหรือว่าข้าวบุดีทั้งหลายนําไปเลี้ยงไดเ้เอาไปสถาบันนาเปน็นไหมนั่นเพราะอะไรอุปธิใช่ไหมอุปธิสมบัติเขาดีอย่างนี้เป็นตน้นหรืออย่างการลสมบัติหรือการละวิบัติเนี่ยการสมัยของผู้นําทั้งหลายเป็นสมัมมาทิฏฐิเนี่ยเจริญกุศลได้ดีไหมผลของกุศลส่งผลได้ดีอย่างแต่ถ้ามีผู้นําหมู่เป็นมิจฉาทิฏฐิสิผู้นําหมู่ใหญ่ๆเป็นมิจฉาทิฏฐิจะทําดีคิดว่าความดีจะส่งผลไหมโอ้โหกันหมดเลยนั่นถ้าถ้าใคร ใครไปอยู่ในกลุ่มไหนก็แล้วแต่ที่ไปเจอผู้นําที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแย่ <laughs> yeah, เลยกุศลกรรมปิดเลยไม่ควมีโอกาสส่งผลแล้วจะส่งผลก็แคบกว่าจะรอดไปส่งผลได้ไม่แทบแย่เลยถ้าไปอยู่ในบ้านนะพ่อบ้านแม่บ้านเปมิจฉ า, าทิฏฐิลูกๆแย่เป็นเดี่ยวนี่เ น, เนี่ยเป็นอย่างนี้อันั้นกรรมเากรรมสกุลตาสมัยทิฏฐินี่สําคัญมากเขา อ, อาศัยเหตุปจัจจัยนะกรรมจะส่งผลดีไม่ดีเนี่ย ในการเนี่ยถ้าเป็นการวิบัติการสะสมบัติเนี่ยดูนี่หรืไปอยู่ในการอวิบัติเนี่ยทำดีแย่หมดอไปอยู่ในหน่วยงานที่เขาจะพิจารณาคั้นเงินดูงเงินเดือนเนี่ยลองไปทําดีตรงนั้นดูดิผลดีไม่สง่งผลก็เลยมาบ่นทุกข์ใจทาดีไม่ได้ดีแต่จริงๆแลก็คือมันการนั้นมันเป็นการวิบัติมันไม่ใช่การสมบัติมไม่ใช่การที่จะทําประกอบกรรมกุศลได้ดีแต่ถามว่าเมื่อไปอยู่ในการเหล่านั้นแล้วยังจะต้องทําดีไหมต้องทําอย่าท้อถอย ไปท้อถอยในการประกอบกุศลกรรมแล้วถามคุณที่แย่คือเราเนี่ยแต่ก็ตรวจสอบพิจารณาแยกแยะให้ดีเอางั้นแยกแยะให้ดีจะได้เป็นกุศลกรรมและได้รับผลที่ดีบางอย่างคับแคบมากใช่ไหมมีอะไรบ้งการและสมบัติการละวิบัติอุปธิวิบัติอุปธิสมบัติประโยคะสมบัติและประโยควิบัติการประกอบความเพียนเป็นต้นใช่ไหมถ้าเพียนผิดกับเพียนถูกเนี่ยเสียหายไหมบางคนโอ้โหใช่ไหม เกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยมีอยู่กินดีด้วยแต่ไปเพียนผิดซะ น, นี้อกุศลกรรมที่ที่รอโอกาสอยู่กุศลกรรมรอโอกาสส่งผลไม่ได้โอกาสส่งผลอกุศลกรรมได้โอกาสส่งผลติดคุกทันทีเลยหรือโดนลงโทษลงทันทันทีเลยเห็นไหมเนี่ยฉะนั้นในกลุ่มของปุถุชนผู้เป็นกรร ม, มาวาทีเนี่ย ก็มีเชื่อกรรมชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลส่วนโดยความเห็นว่าสัตว์มีกรรมเป็นของของตนไม่ใช่มีความเห็นชั้นสัจจานุโลมมิกฉายน์ท่านบอกว่ากลุ่มบุคคลนอกศาสนาเนี่ยไม่ใช่มีความเห็นในขั้นของสัจจานุโลมมิกฉานนยนะไม่ใช่ความเห็นจะสอดคล้องหรือจะคล้อยตามอนุโลมตามอริยสัจแต่เขาเชื่อกรรมเชื่อเชื่อผลของกรรมไหมเชื่อ แล้วเขาทำกรรมได้ถูกต้องมีความเห็นอย่างนั้นถูกต้องความกล่าวของเขาก็เป็นคํากล่าวที่ถูกต้องถ้ามีความเห็นการเห็นของเขาก็เป็นความเห็นที่ถูกต้องนแต่ความเห็นก็ดีการกล่าวของเขาก็ดีเนี่ยไม่ใช่สัจจานุโรมิขยันคือเขาไม่ได้กล่าวเรื่องอริยสัจและเขาไม่ได้เห็นว่าอริยสัจนั้นจะเป็นปัจจัยแก่การสิ้นทุกข์ได้จริงเขาไม่ได้เห็นอย่างนั้นเขาไม่ได้เจริญกุศลอย่างนั้นเพราะถ้าเห็นอย่างนั้นเรามีไหมเขาจะไม่เจริญกุศลอย่างนั้น บางทีเราเนี่ยในกลุ่มของาศาสนิกทั้งหลายเนี่ยในกลุ่มของาศาสนิาทั้งหลายซึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยถ้าเห็นในระดับของกรรมก็ทําได้แค่ระดับของกรรมอย่านั้นไม่ขึ้นในระดับของสัจจานุโลมิจายามีการเจริญวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเป็นต้นไม่มีเพราะจิตไม่น้อมไปในการที่จะตัดรู้ตามพระพุทธเจ้าอนั้ น, น, น, น, นก็พิจารณาอย่างนั้นโดยความเห็นว่าสัตว์เมีย ไม่ใช่ความเห็นที่เป็นสัจจาส่วนศาสนิกชนคือผู้มีความเห็นถูกต้องเป็นสัมมาทิกะบุคคลเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลโดยความเห็นทั้งสองนั้นเนี่ยคือกรรมสกตาและนุโรมยานและยังรูปคําเห็นเรื่องอัตตาอยู่ว่ายังละสกยาทิฏฐิไม่ได้ในกลุ่มของบุคคลที่มีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิและก็สัจจานุโรมยานเนี่ยในในเบื้องต้นเนี่ยยังรูปคาอะไรอยู่ ยังรูปคําอัตตายังมีความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่ยังมีสักกายะทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเช่นเห็นว่ารูปเป็นของเราเราคือรูปเวทนาเป็นของเราเราอยู่ในเวทนาสัญญาเป็นของเราเราอยู่ในสัญญานั้นสังขารเป็นของเราเราอยู่ในสังขานั้นวิญญาณเป็นของเราเราอยู่ในวิญญาณนั้นนี่นถ้าไปแยกแยกะพิจารณาจริงๆว่ารูปเนี่ยกลุ่มบุคคลเหล่านี้ยังเห็นว่ายังเป็นของเรานะ ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหี้ยในกระดูกของเราหมดเลยอ่ะอยังไม่ได้กลุ่มเหล่านี้อนัตตานุปัสนาไม่ค่อยเกิดคืออนัตตานุปัสนาไม่เกิดก็ยังละอะไรไม่ได้ยังละสักกายทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนไม่ได้เพราะเรายังเห็นว่าเป็นของเราหมดเลยไหมยมสียังเห็นเป็นของเราหมดไหยก็ผมเราอะไรของเราเบ็ดเสเร็จเลยเนะียถามว่าถ้าของเราจริงอ่ยดังที่ได้กล่าวบังคับได้ไหมคอนโทรนได้ไหม ถ้าเป็นของเราจริงๆต้องบังคับได้เวทนาเลยอย่าเกิดเลยไอ้ทุกขเวทนาอย่าเกิดนะอุเบกขาเวทนาก็อย่าเกิดเลยสุขเวทนาจงมีแกเรามากๆโสมนัตเวทนาจงมีแกเราตลอดตัวสัญญาก็เหมือนกันเรื่องราวต่งางๆขอยเราจำแต่เรื่องดีๆนะเรื่องไม่ดีอย่าจำเลยสังขารก็ให้เราปรุงแต่งแต่เรื่องบุญนะ คิดก็คิดเรื่องบุญวิญญาณก็ให้เราเข้าไปรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกเล่นกายใจก็ต้องเป็นอารมณ์ที่ดีถ้าเราจะรู้ทางตาอย่างเดียวก็กําหนดรู้ได้ทางตาอย่างเดียวหูไม่ต้องยินคือมนบังคับไม่ได้ปัญญาที่จะไปแยกแยะ ด้วยความเห็นเป็นอนัตตานุปัสนาเนี่ยไม่ถึงเกิดก็เกิดแบบประเภทที่ยังละอัตตาไม่ได้ยังละไม่ได้เกิดก็ยังละไม่ได้เห็นเมื่อไหร่ก็ยอมงามพิดคคอยังเห็นอย่างนี้อย่างยังไม่ใช่ยังแยกแยะไม่ออกยังวิจัยไม่ได้ยังไปสืบค้นไม่ได้ยังไปค้นคว้าวิจัยให้เห็นด้วยความเป็นรูปนามเป็นขันเป็นธาตุไม่ได้แต่เห็นไม่ได้เพราะขาดอะไรขาดโยนิโสมนสิกา ขาดปัญญาที่จะไปตรวจสอบพิจารณาบ่อยๆห น, นึ่งพอพิจารณาบ่อยๆละขันขันนี้จึงต้องโกรดอยู่ร่้ายเวลาโกรธเป็นอะไรสังขารละขันสังขารละขันที่เป็นอะไรที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยาาละเอียดเร็วปานี้โกรดนี่เร็วไหมเร็วอยาาไม่อยา่าเป็นอดีตไปแล้วใช่ไหมเป็นคิดทีไรโกรธใหม่ไหมโกรธอะไรอย่างนี้ย อย่างนี้ยังไม่ได้เห็นด้วยความเป็นขันยังไม่ได้เห็นด้วยความเป็นอายตนะเนะเพราะว่าเออขันขันนี้เป็นธรรมาอยตนะยังไม่ได้เห็นด้วยความเป็นธาตุขันขันนี้ด้วยความเป็นธาตยังไม่ได้เห็นด้วยความเป็นทุกขศาสตร์คือเป็นเครื่องที่จะต้องไปรอบรู้ต้องกาหนดรู้และจะต้องละอะไรละสมุทัยสัจจะคือเหตุของโทสะต้องลายได้ยังไม่ได้ปังขันฉั้นชื่อว่าไม่ได้ปังขันจึงเรียกว่ารูปคําอะไรรูปคําอัตตา รูปคำอัตตาอย่างเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเดิมเนี่ยนี่เขาเรียกรูปคำรูปคำแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องรูปคำยึดถือว่าเป็นเราเป็นของของเราเนี่ไหมเป็นเราเป็นของของเราเป็นอัตตาของเราเป็นเราเนี่ยตัณหาเนะเป็นของของเรานี่มานะเนะเป็นตัวตนของเรานี่ทิฏฐิไหมยึดสามตัวครบเลยนี่เขาเรียกปะปัญญธรรมธรรมที่ทำให้เนื่นช้าเนื่นช้าในอะไร เนื่นช้าในสังสารวัตเนื่นช้านะแปลว่าอะไรคือออกจากวัตฏะไม่ได้ติดแงกโยเหมือนอะไรเดียวเหมือนเขาให้ไปสางคือไปแก้ปรมได้เคยเคยไหมได้ที่มันยุ่งเหยิงยิ่งสางยิ่งยุ่งอ่ะยิ่งแก้ยิ่งยุ่งอ่ะแก้อีกปลมติดอีกปมออกไม่ได้ที่ตัวจริงๆไม่เอาแนละ้ปล่อยอยงนั้นโยแบบยุ่งยุ่งนี่นะชีวิตแบบโยแบบแบบไหนวะแบบแบบแบบยุ่งยุนะ่งนั่นแหละ อันนี้ก็ยังไม่ได้แก้ไขอันนี้อันนี้ก็ยังไม่ได้รอบรู้อันนี้ก็ยังไม่ได้ละอันนี้ก็ยังไม่ได้ทําให้แจ้งอันนี้ก็ยังไม่ได้เจริญอยู่แบบนั้นเนี่ยอยู่แบบไม่ได้เห็นอริยสัจตามความเป็นจริงเมื่อไม่ได้อยู่แบบเห็นอริยสัจตามความเป็นจริงเนี่ยตอนนี้ก็เอาต้อง บ, นบ่นบ่อยๆต้องทุกข์บ่อยๆถึงบอกแต่ทีแรกไงบอกว่าเคยพูดไว้บอกว่าเ อ, าอ๊ะเราเตรียมตัวกันเนี่ยตเตรียมกันให้ดีนะในพบนี้ชื่อว่าเตรียมตัวพอหรือยังพบเนี้ย แค่ปัจจัยจะอยู่ในภพนี้อพอหรือยังจริงๆแล้วถามว่าเราอยู่เนี่ยเราคิดว่าเราไม่อดอยากแน่ใช่ไหมในภพนี้แค่ที่เราจะต้องมีอาหารกินทุกมือ้อแบบสะดวกพอสมควรเนี่ยคิดว่าสะดวกไหม αι? ทางด้านอาหารปัจจัยต่างๆเราเนี้ยคิดว่าเราเราไม่ลําบากไหม αι? ด้านอาหารเรื่องเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคคิดว่าสะดวกดีไหมสะดวกดีแล้วใช่ไหมก็แสดงว่าในพบนี้เราไม่เดือดร้อนถามแล้วพบหน้าคิดว่าเราจะได้สะดวกอย่างนี้ใช่ไหมถ้าถามบอกว่า มั่นใจถามว่ามั่นใจนั้นสร้างเหตุสักเท่าไหร่ท่านหมโอ้ไม่ลูยเ อ, อ้าก็ขนาดพบนี้น้อยนิดเรายังเรายังเพียรพยายามถึงปันนี้พบต่อไปยาวนานมากทำไมไม่เพียรเราถามว่าอะไรละดึงเราไว้ความเห็นใช่ไหมมิจฉาทิฏฐิจะไม่ดึงเราไว้เอาแก้ปลอมซะแก้ปลอมไม่เป็นสัมมาทิฏฐิเสียเราจะได้โล่งใจและมั่นใจตัวเองว่าปลอดภัยแน่ๆไปแล้วปลอดภัย ถึงยังไงยังไงเราไม่เดือดร้อนนะ่ะไม่เดือดร้อนนะ่ะบอกกับใครได้เขาพยายาไม่เดือดร้อนเนะี่ยพูดแบบมั่นใจเลยบอกพบหน้าไม่เดือดร้อนเนะี่ยจะบอกไม่ทราบยังไม่แน่ใจโอ้ที่นี้แสดงว่าเราชักยังไม่ค่อยไม่ค่อยสบายใจเลยนะแบบนี้ก็ตรวจสอบตรงนี้ให้ดีนี่วิธีคิดพอพบหน้ายาวนานไหมตายคนเดียวไหมตายคนเดียวชวนบวกไปด้วยกันไม่เป็นเพื่อนกลัวอันนี้พูดเหมือนพูดเล่นนะแต่จริงนะเนี่ยนนี่พูดจริงนะเนี่ย คิดว่าต่อรองได้ก็ว่ากันแต่แต่ฉันเองไม่ต่อรองแล้วต้องเร่งรีบที่อะไรจะพอเป็นบุญได้ก็สาวไว้ก่อนไอ้ที่เจริญมันได้ก็รีบเจริญนวดก่อนทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจในทั้งทวารทั้งหกนี่ต้องกลั่นให้เป็นบุญให้ได้มากที่สุดที่ทําแล้วเป็นของของเราเนี่ยก็ยังยึดบุญอยู่ แต่ว่าจริงๆเอ้ยยึดบุญเพื่ออะไรเพื่อน้อมไปหาโลกุตระทับยังไงยังไงปล่อยวินะปล่อยนาทีวินาทีโดยล่วงไปโดยปากจากบุญแล้วจะเสียจะเสียความรู้สึกทันทีบอกเลยไม่ได้แล้วเราประมาทมากก็จะต้องน้อมก็หาบุญถ้าใครมาคุยมาสนทนาด้วยก็จะต้องสนทนาเรื่องบุญกับเรื่องบาปให้เขาฟังเลยเป็นอย่างนี้หรือถ้าจะคิดก็ต้องคิดเรื่องบุญและบาปแล้วคิดว่าตนเองนั้นจะปลอดภัยหรือไม่ก็สร้างเหตุปัจจัยไปอย่างนี้ทุกๆทวารทุกๆอารมณ์ ที่ตนเองไม่ลืมก็พยายามตื่นพิจารณ า, าถามว่าใครจะช่วยเราใช่ใครจะช่วยลูกใช่ไหมแล้วเราดูว่าเขาช่วยดีอยู่หรือมเนี่ ย, เ, ย<ม>เขาน้อมทําบุญกันหรือเปล่าโอ้โจะดูตรงนั้นถ้าเขาไม่ได้น้อมทําบุญแล้วหวังอะไรนีระหวังอะไรไม่ใชไไงง่ไม่ใช่ที่พึ่ ง, งเงินเกษมไม่ใช่พที่พึ่งเงินบริสุทธ เราอาศัยที่พึ่งนั้นแล้วไม่พ้นจากกองทุกนี่ในที่สุดจริงเราก็เดือดร้อนในวัตฏะเราทุกข์เพราะคนอื่นมามากแล้วทําไมเราจะต้องาแบกทุกข์มากมายขนาดนั้นสร้างเหตุปัจจัยในการที่จะให้ตนเองได้สะดวกใช่ไหมถามว่าเราคิดไม่ถูกยังไงทําสมาธิถี่ไม่ถูกหรือไงบอกอการฟังวิธธรรมฟังน้อมพิ จ, จารณาให้สอดคล้องรละลึกตรวจสอบพิ จ, จารณาตลอดเวลา เดี๋ยวในที่ตรวจจริงๆเราก็จะชัดเจนในกุศลธรรมเมื่อชัดเจนในกุศลธรรมแล้วต่อไปเนี่ยจะเริ่มเป็นรเริ่มเป็นกรรมสักตาสัมมาทิฐิเริ่มแล้วใช่ไหมเริ่มกําหนดดงกรรมและผลของกรรมได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะเริ่มเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วเมื่อชัดเจนขึ้นตรงนี้ก็จะเริ่มเออเนี่ยเราเริ่มมีที่พึ่งคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ชัดเจนแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็ตรวจสอบพิจารณาไปเนี่ย เท่าพันใดคิดผิดรีบแก้ไขตัวเองเลยนะี่ยรีบแก้ให้เป็นสัมมาทิฏฐิถึงแม้เป็นโลกีสัมมาทิฐิที่เป็นกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิก็ดึงไว้ก่อนถ้าอย่างนั้นแล้วกาหนดลงกรรมให้ถูกด้วยนะเพราะถ้าเรารู้เรื่องกรรมเรารู้เรื่องอริยสัจด้วยแล้วเรายิ่งจะชัดเจนขึ้นนะีกุศลกรรมกัอกุศลกรรมเนี่เป็นทุกข์สั์เป็นอย่างไร้าเนี่ยเราก็จะเริ่มไอ้กรรมไหนควรจเจริญกรรมไหนควรกาหนดรอบรู้เนี่ยเราก็จะเริ่มแยกแยะอะไรเป็นมูลของเขาเดหรือดอกไปจะต้องศึกษา ถ้าอย่างนั้นน่ะไอ้คาว่าไม่รอดเนี่ยเอาตัวไม่รอดเนี่ยจะจะจะสูงมากอย่ว่าแต่ตัวไม่รอดด้วยเนค่ันขันนี้ลําบากแน่ไม่ใช่คนอื่นลําบากเนี่ยตัวเราแท้ๆนี่ต้องมารักตัวเองให้เป็นอะไรแต่นี้ต่อไปข้าพเจ้าจะรักตัวเองให้เป็นแบบสัมมาทิฏฐิเนี่ยรักโดยปัญญากข้าพเจ้าจะสมาทานสัมมาทิฏฐิเจริญสัมมาทิฏฐิอบรมสัมมาทิฏฐิฟังสัมมาทิฏฐิให้เข้าใจสัมมาทิฏฐิทารุบวงในสัมมาทิฏฐิ เริ่มตั้งแต่กรรมามาสกตาสัมมาทิฏฐิตามลาดับไปจนเนี่ยจนถึงโลกุตะสัมมาทิฏฐิให้ได้ก็ตั้งอธยาใสเขาว่าถ้าอย่างนั้นเจริญไม่ถูกนะไม่ถูกเนะีนะ่ยเนะี่ยเพราะวันวันไม่ใช่สัมมาทิฏฐิเกิดมาในกระแสจิตเลยเนะี่ยมองอะไรพวบ ก, กรรมไม่เกิดเลยอ่ะไม่กำหนดองค์กรรมและผลของกรรมเลยเนะี่ย เขียนลบเรื่องตัวทุกทีพอเห็นใครแล้วมันกําหนดลงกรรมได้เด็ดเสร็จแล้วลงผลของกรรมในอนาคตกําหนดตรวจสอบได้ไม่ใช่เราจะไปคิดเรื่องนี้แล้วจะทํางานไม่ได้สัเมื่อไรเราก็ทํางานตามปกติแหละแต่การกล้องตรวจสอบวิธีคิดทำโยนิโสโมนสิการให้เป็นอาหารของสมาธิที่นะทำศีลสมาธิให้เป็นอาหารของสมาธิฐิให้ได้อย่างนี้ก็จะเริ่มนะให้ปฏิบัติทําน้อยคลอยตามอริยสัพพินคล้อยตามโลกรุตระนี้แล้วก็เริ่มเริ่ม จากเล็กไปหายอย่างอย่างอื่นทําสําเร็จแล้วแค่ว่าเออเราจะอยู่ในภพนี้เราก็ไม่ลําบากเผื่อไม่ลําบากเนะี่ยประหยัดบ้างอะไรบ้างก็พออยู่ได้หาเพิ่มเติมเพิ<ต>่มบ้างอะไรบ้างชีวิตก็ไม่น่าจะเดือดร้อนสักเท่าไหร่ใช่ไหมเว้นไว้แต่เอาศุลกรรมอย่างกันหนักหนักซัดเซพเนจรตูมอย่างเงี้ยก็ว่ากันอีกทีแต่ถามว่าถ้าไปซัดตอนนั้นแล้วยังเห็นผิดเคยอะไรจะเกิดขึ้นหนึ่งที่สนจริงเราจะเดือดร้อนเพราะขันขันนี้มันก็นำ มันนํามาซึ่งความเดือดร้อนอยู่แล้วเพราะมันนําอะไรมาอะไรรูปประกานนาอะไรมานํามันก็เป็นแหล่งแหล่งที่ดักเนะียรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยมันเป็นมารไม่ได้เป็นเป็นมารแบบไหนเป็นทั้งขัน ท, มน ท, มนทมนัมมารเทวปุตตมารมจุมาเนื้อเฮ้ยเราพิจารณาขันเป็นมารมันเป็นสภาพของผู้ฆ่าเนี่มันมีมีจุดดักคอยฆ่าเราหมดเนื้อดักทำร้ายก็โดนทำร้ายที่เราโดนกันเนี่ย โดนมันดักทําร้ายหมดเลยตาก็โดนมันดักทําร้ายหูจมูกลิ้นกายโดนมันดักทําร้ายมีอวัยวะน้อยใหญ่โดนโดนมันดักทําร้ายหมดเลยเพราะอะไรเพราะมันเป็นสิ่งที่จะต้องถูกฆ่าเพราะเป็นสภาพที่ผู้ฆ่าถ้าไม่มีใครฆ่ามันฆ่าตัวมันเองเลไม่มีใครฆ่ามันฆ่าตัวมันเองคือถ้าไม่มีกรรมมาตัดรอนไม่มีกรรมามามาเบียดเบียนเนี่ยมันฆ่าตัวมันเองเลย เออมันเป็นอย่างนั้นเป็นระเบิดเวลาเลยนนเนี่ยลูกลูกอย่างโตเลย น, นีที่เราได้กันเนี่ยแล้วก็ตั้งเวลาเชะขึ้นไวแล้วพอปฏิสนงขีปุ๊บเนี่ยก็กดร ะ, ระบบเวลาปุ๊บเลยแล้ถามว่าใครเป็นตัวกดกรรมกรรมกําหนดไว้ทันทีว่าจะให้ระเบิดเมื่อไหร่แต่ไม่แน่นะบางคนก็เหมืออาจจะมีอุบายวิธีใช่ไหมย่นระยะได้แก้ตรงนั้นหน่อยแก้ตรงนี้หน่อยก็เลยย่นระยะหน่อยแต่ที่สุดจริงๆระเบิด แกไปเพื่อที่จะระเบิดนั่แหละเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรแก้เขาไว้เพื่อให้มันระเบิดช้าๆหน่อยเพื่ออะไรเตรียมตัวตายไม่ถูกจริงๆต้องพูดอย่างนี้บางคนบอกถ้าพูดเตรียมตัวเตรียมตัวตายเนี่ยพูดหนักไปไหมหนักไหมโยมว่าหนักไหมเตรียมตัวตายเนี่ยคุณโยมคุณโยมคุณโยมว่าหนักไหมคาว่าเตรียมตัวตายนี่หนักไหมคำคำเนี้ยอหนักไหมเอออย่างนี้ถือว่าไม่หนักเพราะจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆดีไหมเตรียมตัวระเบิดเตรียมตัวจะพัง ถามว่าเตรียมยังไงตั้งอัตตาสัมมานิธิอัตตาสัมมาปณิธิให้ถูกคือตั้งตั้งจิตไว้ให้ตรงตั้งสัมมาทิฐิให้ได้ก่อนถ้าตายพร้อมกับสัมมาทิฐิก็หน้าตายแต่ถ้าตายพร้อมกับมิจฉาทิฏฐิยังไม่หน้าตายครับถ้าตายตรงนั้นเสีย <c oughs> เพราะตายแล้วยังไปสร้างเหตุปัจจัยของความเห็นผิดผิดพลาดมากมายเยอะถ้ามิจฉาทิฐิเนี่ย ถ, ถ้าพาาระอรหันต์ท่านตายเรียกว่าปรินิพานโสดาสกาธาอนาคาท่านท่านก็ตายแต่การตายของท่านน่ย สมมาทิฐิเกิดแต่ถ้าพวกเรานี่ไม่แน่เนะี่ยเพราะเรายังละไอ้ตรงนี้ไม่ได้นะละวิธีคิดที่เป็นมิจฉาทิฐิก็ไม่ได้วิธีคิดสัมมาทิฐิก็จเจริญอบรมน้อยถ้าไปตายในะขณะที่มิจฉาทิฏฐิมีกําลังอะไรจะเกิดช่วยน้อยเนี่ไม่รู้จะช่วยยังไงทีนี้อะดูต่อไปนะว่าสัมมาทิฐิเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นไม่ใช่มีความเห็นส่วนาศาสนิกชนาศาสนิกะปุถุชน คือปุถุชนที่เป็นศาสนิกคือนับถือพระพุทธเจ้ามีพระรัตนไตรเป็นไปในเบื้องหน้าแต่ยังเป็นปุถุชนอยู่ชื่อว่ามีความเห็นถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิกาบุคคลโดยความเห็นทั้งสองอย่างคือมีสัมมาทิฏฐิทั้งระดับกรรมสกตายานและอนุโลมายานคือเห็นทั้งตามลําดับของของวิปัสสนาเป็นต้นนั่นนะ และยังรูปคำยังรูปคำความเห็นว่าอัตตาอยู่ยังละสักยะทิฏฐิไม่ได้ทีนี้ไปพิจารณาอย่างนะบอกว่าดังที่ได้กล่าวว่าในสัมมาทิฏฐินะั้นเป็นสัมมาทิฏฐิในสาสนาในไทยละกรชนคนที่นอกศาสนาแล้วก็สาสนกกากรชนคื ชในศาสนาก็ในบุคคลสองจำพวกนั้นพาหิรักกาปุถุชนผู้เป็นกรรมวาทีเชื่อกรรำชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลเนีขาเห็นอย่างไรเขาเห็นโดยความเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนไม่ใช่มีความเห็นในชั้นของสัจจานุรมิกายาถ้าในลักษณะอย่างนี้เขาไม่ได้มีความเห็นในด้านของลึปัสนาสัมมาทิฏฐิเห็นอนิจจังทุกขังหน้าตา เห็นฌานนสัมมาทิฏฐิเข้าใจฌานยังถูกต้องว่าไอ้ตัวฌานฌานเนี้ยปัจจัยของเขาเนี่ยให้ผลอย่างไรและพ้นทุกข์ได้จริงหรือไม่เนี่ยเขาจะเข้าใจชัดเจนอย่างนี้นีน่คือกลุ่มของฌานนสัมมาทิฏฐิเอามีไหมเอาได้เจริญฌานแล้วยังเข้าใจฌานผิดพลาด น, นี้พวกภัยละกะบุคคลไงคนนอกศาสนาไง บุคคลนอกศาสนาอย่างในกลุ่มของบุคคลที่ได้ฌานสมาบัตยอย่างเงี้ยเขาไม่เข้าใจนะว่าฌานสมาบัตที่เขาทานั้นนะพ้นทุกข์ไม่ได้จริงอย่างนี้ถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่ในนอกศาสนาทำไมจึงบอกว่า นอกศาสนาเอาอะไรเป็นตัววัดเอาการที่เขาเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องวัดเอาศิกขาสามเองเป็นเครื่องวัดเพราะศิกขาสามเป็นชื่อของศาสนาใช่ไหมถินมสมาธิปัญญาอธิศีระสิกขาทีิสิตตะสิกขาที่ปัญญาศิก ข, ข, ขาเนี่ยศาสนาศาสนาคํานี้เป็นชื่อของพรหมจรรย์เป็นชื่อของมรรคพรหมจรรย์นี่ใช่ไหมฉะนั้นถ้าเขาไม่เข้าใจศาสนาก็ชื่อว่าเขานั้น เป็นบุคคลที่อยู่นอกศาสนาเพราะเขาไม่เข้าใจสิกขาสามเพราะในศาสานานี้สอนอะไรสอนสิกขาสามทีนี้ถ้าในกลุ่มของเสกขาบุคคลล่ะชื่อว่ามีความเห็นชอบเพราะมีความเห็นที่แน่นอนมีความเห็นแน่นอนนะแน่นอนต่ออะไรแน่นอนต่อโลกุตระธรรม9้าเลยไม่คลอนแทนไม่งอนแงนน้อมก็หาพระสัตธรรมคือมรรคสี่บนสี่นี่ปันหนึ่งได้แล้ว เห็นไหมในในด้านของเศษข้บุคคลนี่ก็เห็นแน่นอนความเห็นของท่านเป็นอะไรเป็นอัจระศรัทธานะเขาเรียกว่าสมบูรณ์ในโสตาปฏิยังคธรรมธรรมที่ทำให้เป็นพระโสดาบันดังที่ได้กล่าวคือสัปปริสสังเเวะเป็นต้นเนี่คือท่านแน่นอนแล้วตรงนั้นนะถ้าถามก็คือบอกไม่ต้องเป็นห่วงท่านแล้วไม่ต้องเป็นห่วงท่านแล้วว่าท่านเป็นพระเศษข้าบุคคลแล้วถึงท่านยังจะต้องศึกษาอยู่ แต่ท่านก็ศึกษาในอาทิศีนอธิจิตอธิปัญญาที่ยิ่งยิ่งยิ่ ง, งบพระโสดาบันเนี่ยท่านก็จะต้องศึกษาอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาที่เป็นสกาทาคามีมะพระสกาทาคามีบุคคลก็จะต้องศึกษาในอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาที่เป็นอนาคามีมะถ้านาคามีบุคคลก็จะต้องศึกษาในอาทิศีลอธิจิตอธิปัญญาที่เป็นอรหัตตมรรคเพื่อจะเป็นอาเสขาบุคคลบุคลบคลที่ไม่ต้องศึกษา คือท่านจบกิจในการที่จะต้องศึกษาแล้วถ้าอย่างพวกเราเนี่ยโอ้ไม่ได้ศึกษาในสิกขาสามนี่พวกเราเนี่ยได้ศึกษานอกสิกขาสามเนี่ยวิชาการนอกสิกขาทั้งสา ม, มันเยอะเหตุัจัยที่จะสร้างมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดมันมากมายจริงๆมากมาจนโอ้โหใช่ไหมการมมาคุณทั้งหลายเนี่ย สร้างอาาัสธาไะมสร้างอัศธาความชอบใจความติดข้องมันเป็นอย่างนี้ทีนี้มันสร้างอาัศธาความยินดีพอใจและติดข้องแล้วเดี๋ยวมันวิบัติก็สร้างอาทีนวะทุกโทษเราก็ออกไม่ได้อยันนั่นเลยไม่เป็นไรพั้งแล้วสร้างใหม่ทําได้อะประมาณนั้นเลยหมดแล้วไม่เป็นไรแล้วทํำมาใหม่ตายบอดข้างกงไม่เป็นไรแล้วเลอีกข้างหนึ่งก็ยังวอยเห็น เรียไปดูว่ัฒน์เส้ยยังไม่ว่างงั้นขนาดไปข้างหนึ่งยังไม่ว่างบอกเอาแล้วเท่ากันสองข้างแหละไอ้ถ้าสองข้างก็ไม่เป็นร้ายงั้นนะโอ้เอาขนาดนั้นอย่าถึงขนาดใช้จมูกดมกลิ่นเรียนว่าทําเลยนะแต่อย่างนั้นโอ้โหไม่รู้จะไปยังไงทีนี้ในทางด้านของเศรษฐาบุาคคลมีความเห็นชอบและก็เห็นชอบ ที่แน่นอนนื้อท่านแน่นอนต่อการที่เป็นอจระ์ศรัทธาแล้วว่าศรัทธาของท่านนั้นเป็นอะไรเป็นศรัทธาในโลกุตละธรรมแล้วเพราะท่านได้เห็นของจริงได้สัมผัสของจริงได้รอบรู้ของจริงแม้จะเป็นการรอบรู้ในเบื้องต้นแต่ก็ชื่อว่าเป็น โลกุตละสัมมาทิฏฐิได้เกิดขึ้นกับท่านแล้วท่านเหล่านั้นถ้าเห็นถูกต้องแล้วนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วท่านจะคอยมาหาสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรแต่อยังกลุ่มของ ท, ที่ยังสร้างโลกุตละสัมมาทิฏฐิไม่ได้ยังเป็นแค่โลกียะสัมมาทิฏฐิต้นๆเนี่ยนะเอาขนาดต้นๆว่ากรรมสักาตาสัมมาทิฏฐิก็ยังไม่ค่อยชัดเนี่ไอ้ตรงนี้ดิสถามว่าอะไรล่ะเจ้าธมะทำไมถึงไม่ค่อยชัดก็บางครั้งก็นึกถึงกรรมบ้างบางครัง้งก็ไม่นึกถึงกรรมบ้าง ขนาดเขาดา่าจนจบทั้งหลายชุดแล้วยังบอกว่าเขาผิดอยู่แล้วถามว่าถ้านเราไม่เคยว่าเขามาเน่ยมีไหมที่เขาจะด่าเราเน่ถ้าเรามีแต่ยกมือไหว้เขาตลอดเนะี่ยมีไหมที่เขาจะไม่ยกมือไหว้ตอบตลอดมันไม่ใช่ดิบางครั้งเราก็ยกมือตีเขาบา้างใช่ไหมทบเขาบ้างนี่ไอ้ที่มือของเราไม่ได้ดทํากรรมดีก็เยอะเลยเนี่ยสองมือนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยทำกรรมชั่วไปไเทีมไปแทงไปหกักคอไปหักข า, ไ ป, าไปทําร้ายไปทุกจร้ายเขาก็มากนี วาจาหนึ่เคยไปชมเ้าก็เยอะที่ไปต่อเสียชีเอ้ยพูดคำหยาเพื่อเจอเามากใจนี่ก็เคยไปและเห็นถูกกับเขามาก็เยอะไปเห็นผิดกับเขามาก็มากให้เวลาเจออากุศลรกรรมมาส่งผลนะคิดยังไงด้ไยมคิดว่ารู้ไหมว่าเป็นกรรมอะไรตรวจสอบดูเอาเนแค่พบนี้ก่อน ถ้าตรวจสอบไม่พบเนื้หาไม่เจอแล้วเนี่ยคืออันนี้มาจากอดีตภพให้รู้อย่างนั้นแค่นั้นนะแต่ถ้าตรวจสอบไม่ดีพอก็ยังบอกเราทําดีตลอดทำไมได้รับผลไม่ดีอย่างนี้แสดงว่าตรวจสอบไม่ดีไม่เคยว่าเลยนะอกแค่นั้นนะไม่เคยว่าไม่เคยไปตําหนิโทษอะไรข้อเลยนะทําไมไม่รู้ต้องมาเจอกับสิ่งเหล่านี้อย่างนั้นี่เฮ้พิจารณาไปโทษใครที่สุดจริงๆก็โทษเขามีไหมที่โทษเรา บอกว่าโอ้สมควรกับเหตุแล้วให้คิดลงบอกว่าสมควรกับเหตุแล้วทุกครั้งเนะี่ยคิดดังบอกสมควรกับเหตุที่เคยทําแล้วเนะี่ยพิจารณาอย่างเนี้ยถ้าถามอย่างนี้บอกโอ้ยังน้อยไปจริงๆแล้วมันยังน้อยไปเนี่ยถ้าเป็นกรรมตัวนี้ส่งผลคงไปนทั้งหางอย่นั้นเลย ไม่เจ่หัวเนี่ยแหละเจ้าหัวคงหนักกว่านี้นะบางทีก็เล่นขาดเป็ น, นท่อนๆไปแล้วเนี่ยอย่าลืมนะแดงว่ายังไม่ถึงขนาดนะเพราะว่าจริงๆแล้วกายกรรมวจีกรรมและมะโนกรรมของเราทั้งหลายลเราก็ไม่ได้ไปสร้างอะไรดีกันนะกรนาดเนี่ยเราจะรับเอาผลดีๆดีดูดกไกลว่าเราเนี่ยคล้ายๆว่าจะเอาดีอย่างเดียวเนี่ยถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็จะเริ่มชัดเจนในเรื่องของกรรมในเรื่องของกรรม เพ่อย่างนี้ต้องมีวิธีหลีกหนีกรรมด้วยนะไม่ใช่มีว่าบอกออรู้แล้วว่ากรรมจะส่งผลไปภาคใต้เ้อย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างงี้ไม่ใช่ใชคือต้องหลีกต้องหลีกได้ต้องห ล, ลีกนะหลีกอกุตุลกรรมแล้วก็ยอมรับ ผลของกุศลกรรมบอกแม่เดินหาทุกทิศแล้วกุศลกรรมไม่ส่งผลเลยวันนี้เดินไปทิศไหนเจ็บปวดหมดทะไยงนี้ก็แม่แสดงว่าวันนี้อกุศลกรรมจ้องส่งผลตลอดเลยกลุ่มวิชาหมอดูทั้งหลายจึงมีคุณค่ากันมาทันทีตรวจสอบให้เบีดเสร็จตรวจสอบให้มาเลยว่าเออจะไปอย่าไปทิศนี้นะจะไปทิศนี้เดี๋ยวอกุศลรเดี๋ยวเดี๋ยวเจริญสิ่งไม่ดีอะไรเ้น ตามมอดูแม้วันนี้แย่จังไม่ค่อยมีใครมาดูเลยหมอตรวจสอบทิศผิชพาดด้วยที่ไปนั่งตรงนั้นนลืมกําหนดทิศเหมือนกันแต่ในที่นี้ประสงค์เอาผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตระกุศลที่แน่นอนนี่นะถ้าที่แน่นอนก็เป็นใครล่ะคือเป็นเครื่องนําจัดออกจากทุกว่าผู้นี้เห็นชอบใช่ เพราะฉะนั้นเองท่านภาษารีบุตรจึงได้กล่าวว่าเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่คอนแคลนได้มาสู่พระสัจธรรมนี้แล้วได้มาสู่พระสัจธรรมนี้แล้วฉะนั้นลักษณะของความเห็นที่ท่านกล่าวไว้ต้องเป็นโลกุตระสัมมาทิฏฐินะถ้าเป็นโลกิยาสัมมาทิฏฐินั้นเป็นความเห็นที่ยังง่อนแงนคอนแคลนอยู่ไหมง่อนเงนคอนแคลนและไม่ประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมแล้วก็ยังง่อนเงนคอนแคลน และเมื่อศรัทธาก็ดียังง่อนแง่นยังคลอนแคลนในพระธรรมอยู่ที่จะเข้าหาพระสัทธรรมคือโลกุตตรธรรมเก้ 9, จริงๆเนะี่ยจะเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปแบบง่อนแง่นและคลอนแคลนเอาวันนี้ศึกษาพระธรรมฟังพระธรรมเป็นอย่างดีจิตใจคล้อยตามแต่อีกอกวันอกตอนนี้ค่อยดีเรื่อยเห็นไหมจะเป็นลักษณะเช่นนี้ตั้นตรวจสอบพิจารณาให้ดีถ้าตรวจสอบพิจารณาไม่ดีเราจะเป็นโทษ ทีนี้อธิบายว่าสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตระกุสนเท่านั้นเป็นความเห็นที่ตรงเพราะเป็นไปตามความตรงไม่ข้องแวะที่สุดสองอย่างตรงในที่นั้นคือไม่คดเนะ่ยกายกรรมก็ไม่คดวจีกรรมก็ไม่คดมโนกรรมก็ไม่คดเนี่ยไม่คดสามทางคดคืออะไรเช่นปานาิบาสนี่คดหรืองอคดได้ไหมเว้นจากปานาิบาสนี่ตรงอธินาทานนี่คดเว้นจากอธินาทานนี่ตรงอฮะ ประพฤติผิดในการมนี่คดไม่ประพฤติผิดในการมนี่ตรงเนี่ยพูดเท็จเป็นต้นนี่คดเนึ่ยพูดเท็จยะต่อเสียคำหยาเพื่อเจ้านี่คดน่ไม่พูดเท็จไม่พูดย่อเสียไม่พูดคำหยาไม่พูดเพื่อเจ้านี่ตรงเนี่ยทางด้านทางจิตใจล่ะใช่ไหมโลภอยากได้ของเขาเป็นอภิชาเนี่คดถ้าหากว่ายินดีในเมฆคำมะนี่ไม่คดหรือไปพยาบาทนี่คดน่ยน้อมออกจากพยาบาทน้อมก็หาเมตตาเป็นต้นนี่ตรงเลยหรือมิจฉาทิฏฐิอเงี้ยอนคต ถ้าสามมาทิฏฐิตรงอย่างี้ไม่ค่องแวะที่สุดสองอย่างที่สุดสองอย่างคือสัสตตาทิฏฐิและอุเฉตตาทิฏฐิอย่าไปค่องแวนะในความเห็นว่าเที่ยงกับความเห็นว่าขาดศูนย์เนี่ยต้องไปล่องแวะที่สุดสองอย่างหรือไปค่องแวะเกี่ยวในเรื่องของทิฏฐิที่ชั่วที่ลามกนยะเพื่อตัดขาดความคดทุกอย่าง หรือตัดขาดความคดทุกอย่างตัดขาดความคดทางกายความคดทางวาจาความคดทางจิตใจได้ทุกอย่างอย่างเงี้ยลักษณะนี้เป็นความเห็นที่ตรงมีความคดทางกายเป็นต้นและมีความประกอบด้วยทิฏฐินั่นเองทิฏฐิต้องเป็นสัมมาทิฏฐิได้เนาะถ้ากายตรงวาจาตรงแต่ใจเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้เขาเรียกไม่ตรงแน่แ่ใช่ไหมเพราะศีลและทิฏฐิที่ตรงนั้นนึงจะเป็นเบื้องต้นของ พรมจรรย์ศีลและความเห็นไม่ตรงเนเบื้องต้นของพรหมจรรย์ไม่ได้กายวาจาไม่ตรงจิตไม่ตรงเนี้ไม่สอดคล้องกันน่เสียหาย บางคนเนี่ยกายก็ตรงนะกายก็ตรงวาจาก็ตรงนะเขาไม่ทําผิดทางกายทางวาจาแต่จิตใจเห็นผิดเนี่ยมีเยอะเนี่ยเขาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคําหยาบไม่พูดเพ้อเจือแต่เขาเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นไม่สอดคล้องพระธรรมไม่สอดคล้องของโลกรุตรธรรมในความเห็นของขั้นเหล่านั้นก็ยังโคตรถ้าอย่างนั้นเขาเรียกว่าศีลและทิฏฐิไม่ตรงจะไม่เป็นเบื้องต้นของโลกรุตระธรรม เขาแทงตลอดอายศาสตร์ไม่ได้หรอกเพราะความเห็นไม่ตรงถึงกายวาจาจะตรงมีเยอะนี่กลุ่มที่ศีลดีอะกลุ่มที่กายวาจาดีเนี่ยแต่ทิฏฐิไม่ดีความเห็นไม่ดีที่ผ่านมาเน่ยตรวจสอบดูเอเยอะหมดถ้าใครเห็นที่ตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้าชื่อว่าท่านผู้นั้นเห็นไม่ตรงความเห็นของท่านเหล่านั้นไม่เป็นสัมมาทิฏฐิไม่เป็นกรรมปจกตาสัมมาทิฏฐิไม่เป็นวิปัสนาสัมมาทิฏฐิไม่เป็น ฌานสัมมาทิฏฐิไม่เป็นมรรคสัมมาทิฏฐิผลสัมมาทิฏฐิและปัจเจเวสัมมาทิฏฐิคือเขาไม่ได้สัมมาทิฏฐิเหล่านี้เลยถ้าได้ก็ได้สัมมาทิฏฐิระดับกรรมและผลของกรรมเท่านั้นก็ถือว่าอยู่ในภายลกาชนจะบุคคลที่อยู่ภายนอก ศาสนาแปลว่าเขาตกจากศาสนาหรือยังตกจากศาสนาของพระพุทธเจ้าเสียแล้วเห็นไหมดูเหมือนอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่จริงๆตกไหมเขาตกจากศาสนาของพระพุทธเจ้าตกจากศีลของพระพุทธเจ้าตกจากสมาธิของพระพุทธเจ้าตกจากปัญญาของพระพุทธเจ้าที่อบรมสั่งสอนไว้ ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วเราก็เริ่มเขาจะโอ้เนี่คนไม่มีศาสนาเป็นทุกอย่างยิ่งคนทุกไม่ได้ศาสนาเนี่ยถ้าไม่มีศาสนาศัธรมคําสอนของพระเจ้าอยู่ในกระแสะใจท่านคนนั้นเป็นคนที่ตกจากศาสนาของ พระพุทธเจ้าเสียแล้วถึงเขาจะบอกว่าพุทธังกระนังกัจฉามิธรรมังกระังกัจฉามิสังขังกระนังกัจามิเนี่ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าขอถึงพระธรรมขอถึงพระสงฆ์ถึงพระพุทธเจ้าคือถึงอย่างไรพุทธเจ้าว่าอย่างไรว่าอย่างนั้นน้อมถึงคุณของพระพุทธเจ้าได้ตรงถึงพระธรรมคืออย่างไรเอาศีลสมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้า ที่ตรัสนั้นเอามาเข้าสู่กระแสจิตนี้คือถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างไรข้าพเจ้าจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้สอดคล้องกับพระพุทธเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมแล้วก็ถึงพระสงฆ์การถึงต้องถึงอย่างนี้นะเขาเรียกว่าคนไม่ตกจากศาสนาข้าพเจ้าจะเดินตามปฏิบัติตามยังไงพูดตามให้สอดคล้องกับพระพุทธเจ้า พระธรรมและก็พระเศวตคือในชาตินี้ข้าพเจ้าจะไม่กล่าวตูวเว้นไว้แต่ที่ไม่รู้อ่ะแต่ถ้ารู้เมื่อไหร่เน่น้อมจิตที่จะขอโทษทันทีเว้นไว้จะไม่รู้ใช่ไหเพราะข้าพเจ้าเป็นผู้ประมาทเนี่ยฉันเองคิดอย่างนั้นเลยเคยและเค ย, เคยทําด้วยบางทีไปพูดผิดพลาดึ้นมาโอ้ยขอต้องกล่าว พ, พระพุทธเจ้าเป็นการใหญ่แล้ว ขอเข้ามาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมหน้าตีเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทาแล้วในพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นข้าพเจ้าจักสำรวมระวังต่อไปไนพว่าทําในพระเรียสงฆ์ก็เช่นเดียวกันข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามเรียนรู้ตามพระพทธเจ้าเนี่ยจะไม่นอกลูนอกถาอีกแล้วในลักษณะเช่นนี้เพราะความคิดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเชื่อมาที่ไรเจ็บปวดทุกทีถ้าในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตน้อมน้อมที่จะปฏิบัติตาม เพราะที่นะทยังปฏิบัติไม่ได้ก็ต้องบอยอมรับว่ายังไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ปฏิบัตินะจะต้องน้อมจิตไปเพื่อปฏิบัติตรงนั้นให้ได้คือจะต้องถึงให้ได้นะี่ยถ้าในลักษณะอย่างนี้คือไม่งอนเงินและไม่กร่อนแคร์นะเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสในที่สุดจริงๆก็เจ้าจะต้องทําความรู้สึกตรงนั้นเกิดขึ้นให้ได้แต่ความรู้สึกอย่างนั้นต้องเป็นโลกุตลาสัมมาทิฐิคือจะต้องเกิดขึ้นกับข้าราชการได้มาสู่พระสัจธรรมพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าใช่ไหมได้มาสู่คือว่า นำเอาพรษสัทธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าสู่กระแสจิตให้ได้โอปัญโกเนน้องก็มาสู่ให้ได้ลักษณะเช่นนี้เนี่ยสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลภุตละเท่านั้นเป็นความเห็นที่ตรงเพราะไม่ข้องแวะกับที่สุดสองอย่างหรือตัดขาดความคดทุกอย่างเลยที่สุดจริงๆทำกายวาจาจิตใจให้ตรงทุกอย่างมีความคดทางกายเป็นต้นเป็นต้นให้ตรงแล้วและเป็นผู้ประกอบด้วยทิฏฐิ ประกอบด้วยอะไรบอกประกอบด้วยสัมมาทิฏฐุกระดับจนถึงโลกุตตะลสัมมาทิฏฐิชื่อว่าเป็นทูปประกอบไปด้วยความเลื่อมใสไม่ครอนแคลนนนะี่ะคือความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในโลกุตตะลธรรม9คือมัตสีผล4ีและก็นิพพานหนึ่งนะกาประการอริยส า, าวกเมื่อคลายความยึดมั่นด้วยทิฏฐิทุกอย่างแล้วก็ละกิเลสทั้งสิ้นได้ออกไปจากสังสารละออกไปจากสงสารคือชาติสงสารเนี่ยคืออะไรการเวียนว่ายตายเกิดมันถึงเรียกว่าสงสารเรา บอกสงสารเลยคือสังสาระในที่นั้นคือการอนุเย็นไหวตายเกิดเนือคือการวนนะวนเพราะอกิเลสวนเพราะกรรมวนเพราะวิบากกิเลสโลภะโทสะโมหะเป็นต้นเหล่านี้มีกิเลสและทํากรรมไหมทำกรรมที่ประกอบด้วยกายกรรมวิจิกรรมและมโนกรรมทํากรรมเหล่านี้มีวิบากไหมมีวิบากที่เป็นผลของกายกรรมวิจิกรรมและมโน และมโนกรรมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลทีนี้ผลของกรรมที่เป็นมิบากนี้เมื่อมีแล้วจะเกิดกิเลสั้ยชอบใจเป็นโลภะไม่ชอบใจเป็นโทสะเจริญบุญทั้งหลายก็เป็นสังขารเป็นกุศลที่สร้างพบสร้างสังขารสร้างขันต่อไปแล้วก็ไปรับชาติสงสารอีกเลยกลับไปมีชาติสงสารเลยนะแม่สงสารดหรือไม่ออกฮนะ ห ร, หรือขันไม่ได้หรือพบไม่ได้หรือบ้านไม่ได้หรือตัดยอดหลังคาไม่ได้ตัดยอดอะไรตัดยอดอวิชชาคือความมืดบอด ไม่ได้ที่สุดจริงๆก็เผลอไปทําวานบ้านอได้จนได้เผลอไปสร้างขั น, นได้จนได้ที่สุดจริงๆได้ไหมได้ความว้าเหวนะได้ความ ว, าว้าเหว่ย่งถ้าเราจะต้องท่องเที่ยวไปในวัดต่างๆทั้งหลายลราไปคนเดียวไปหาเพื่อนใหม่ใช่ไหมคิดๆดูแล้วเราก็น่าสงสารจริงๆนะถ้ามองอย่างนี้นะตัวเองนะน่าสงสารน่ากรุณาตัวเองจริงๆต้องละหกละเหินเดินทางกันเลยนะเดินทางอย่างไร้จุดหมายเลยนะอย่างนั้นเตรียมสะบงังเบลียงกลางใจได้เท่าไหร่เนี่ยแล้วก็ไปแสวงหาทำกรรมสื ต่อสร้างขันสร้างพบกันต่อตัดท่องเที่ยวแล้วแล้วเถ้าคนมีตาดีทั้งหลายเขามองไหมทำกรรมโอ้มีลูกมีล้านสร้างฐานะตายจากมาไปทำเกิดใหม่เลยพทะเ จ, เจ้าก็มองเห็นหมดเนะี่ยโอ้อยเป็นกรรม ในอดีตก็เป็นมาไม่มีที่สิ้นสุดอนาคตก็จะไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดน่ากรุณาอย่างนี้ในความรู้สึกของพระเจ้าท่านกรุณาพวกเราก็อย่างนี้พระองค์ตาดีเนี่ยพวกเราตาบอดเราก็ไม่เห็นพระองค์ก็เตือนเว้ยไผ่น้ากลัวนะในอนาคตเราก็บอกนหน้ากลัวเลยว่าไงเนะี่ยเสร็จสินการปฏิบัติเข้ามาไปจากชาติสงสาร ไปจากสงสารคือชาติคือการเกิดเกิดเป็นต้นเนี่ยเมื่อมีชาติคือการเกิดมีไหมชะลามีไหมบารณะโสกับผลิเทวะทุกขโทมานะสาอุปายาตความเกิดขึ้นของกองทุกเนี่จะมีทันทีถ้ามีชาตินี้ไหมจะไม่มีชร า, าบางคนอาตายก่อนบอกมีจริงละเกิดมาไม่เท่าไหร่ชรลาก็ปรากฏแล้วแค่ขนาดเดียวก็มีชรลา เขาเรียกชาลาปกปิดกับชาลาเปิดเผยอย่างกลุ่มพวกเรานี่ก็เรียกชาลาเปิดเผยเปิดเผยมาแล้วผมก็เปิดพอแก่แล้วผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเย็นกระดูกอะเปพิจารณาดูเถอะไม่แก่อ ย, อยู่อย่างเดียวแต่ความรู้สึกของข้าพเจ้ายังไม่รู้สึกว่าข้าพเจ้าแก่นอกนั้นแก่หมดใจจริงความรู้สึกก็แก่ก็คิดแบบนี้มานานแล้วแต่สิ้นการปฏิบัตินีไปจากชาติสงสารแล้วไปจากสงสารคือชาตด เสร็จสิ้นการปฏิบัติถามว่าถ้าเป็นพระลรหันการปฏิบัติในศีลการปฏิบัติในสมาธิการปฏิบัติในปัญญาเสร็จสิ้นหรือยังเสร็จสิ้นหรือยังเสร็จสิ้นที่ยังที่จะทําอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเป็นพระละหันนี่เสร็จสิ้นหรือยังเสร็จแล้วท่านเสร็จแล้วเนี่ยท่านไม่ต้องไปพ่อคูณเจริญอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอีกแล้วเพราะจิตของท่านอยู่จบแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์สิ้นแล้วเนี่ย กิจกิจจ้ที่จะต้องทำเนี่ยทำจบแล้วกิจอื่นเพื่อเป็นอย่างนี้อีกไม่มีกิจอื่นที่จะมาทําศีลสมาธิปัญญาอีกเนี่ยอีกรอบหนึ่งนี่ยไม่มีอีกสองรอบน่ยไม่มีท่านจบกิจของพรหมอาจารย์ที่ชาติสิ้นแล้วจริงพรหมอาจารย์อยู่จบแล้วมรรคขอพรหมจารย์ของท่านสมบูรณ์แล้วชาติคือการเกิดของท่านเนี่ยหมดแล้วไม่มีอีกแล้วมองไปที่ไหนก็ไม่มีเชื่อใการปฏิสนธ์แล้วพวกเรานี่มองหาทางตากโ็โหเกิดได้หมดเลยที่จะยินเสียงมาเราพอที่จะเป็นไปหมดนะนะกลิ่นที่เท่าสยโจมูกนะ น้องที่จะไปติดสิงเหล่านั้นหมดเลยรถที่เราได้สัมผัสกันน้องที่จะไปสแสวงหาโอ้ยต้องทุกอีกนา น, นต้องทุกอีกนานทั้ว่าอย่างลงสู่อะไรเออพู้ได้พระสัตยรรร์ทำก่าวคือพระนิพพานเนี่ยสูงสุดไห้พระนิพพานเนี่ยสูงสุดที่อย่างสู่อมตะธรรมอย่างสู่อมตะธรรมคือธรรมที่ไม่ตายนะอรมฤตธรรมก็ได้ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศไว้แล้วด้วยอริยมรรคพระพุทธเจ้าประกาศด้วยอริยมรรคอันสมบูรณ์แบบพุทธเจ้าประกาศไว้เด็ดเสร็จเลยนะวันนี้ถ้าถึงตรงนี้นะ่ยไม่งอนเงันไม่ครรแวน เข้ามาสู่พระัตธรรมและใการพิจารณาตรวจสอบในลักษณะเช่นนี้เนะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะทํายังไงแล้วเราจะสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นถ้าสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นตรงนี้ไม่ได้นะที่สุดจริงๆก็คืออยากให้มันเด้งกลับน่าจะเอย่าตรงตรงไปข้างหน้าไม่พราถูกไฟร้อนหน่อยงอพว่อการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันพอจมจมหน่อยเดือดกลับบ้านนี่ไม่เอาแล้วโอ้ทอา้าวต้องมาวาบากการฟังธรรมะถา ม, ม, าถามไม่ฟังแล้วถามธรรมะเข้าใจยากเลย ถามว่าท่าไมถ้าเข้าใจยากวันนี้ถามาสักวันหนึ่งเราต้องเข้าใจจริงไหมฟังบ่อยๆมีไหมที่ยังไม่เข้าใจิดบ่อยๆมีไหมที่ไม่รู้นี่องมาเล็กดูดิคนบางคนเนี่ยถ้าเราจะทำใจชอบเขาได้เนี่ยต้องใช้เวลานาน บางคนจริงๆพยายามตรวจสอบละเอียดเลยถ้าในกลุ่มของบุคคลที่คิดละเอียดละ อ, อ่ได้แล้วเนี่ยตรวจสอบหมดนะของคนเล็บฟันหนังแลื้อเยื่อกระดูกเยื่ในกระดูกพิจารณาอุปนิสัยใจคอเรื่องการกินอาหารเรื่องการอยู่การเป็นส่วนเพื่อภาาตรวจสอบเบ็ดเสร็จดูแล้วว่าเออเขามีส่วนดีอส่วนแล้วก็มีพิจารณาตรวจสอบดูว่าเออที่ถูกใจเนี่ยว่าไงเนเรายังพิจารณาขนาดนั้นที่ทดลองแล้วทดลองอยู่เยอะไหที่เราทดลองคนเนี่ยเพื่อที่จะไปชอบเขาเมื่ี้ก็แหมไปทดลอง อ, งอย่างนั้นแล้วอย่างนี้เพื่อจะรู้ ว่าคนเขาดีจริงนะดีแบบโลแกนนะลองนั่งลงทุนตรวจสอบขนาดนะั้นก็แปลว่าเราใช้เวลานานเราจะคิดหรือเราจะเราจะวางแผนกับใครสักคนเนีจะคิดแล้วคิดอีกเนะี่ยเป็นอย่างนี้เหมือนกับการที่เราจะไปเกิดกับใครเนะี่ยแท้จริงคิดมาตั้งนานแล้วเนะนี่ยคิดแบบเนี้ยคิดมาจนช่ชําชองจนเป็นอาจินนกรรมเป็นอาสันนกรรมเป็นกตัดตาวาปนกรรมเป็นครุกรรมคิดจนมันอย่างหนักมาแล้วเราจึงแทบไปเกิดที่นั่นด สแสดงว่าโอ้โหเอาหลายาหลายรอบที่สวยจริงๆแล้วก็ไปอยู่กับคนคนนั้นจริงๆเป็นร่วมกรรมกับคนนั้นแล้ตรวจสอบคือเราเชื่อมามากแล้วไงเชื่อความเห็นไงใช่ไหมพวกเราเนี่ยเวลาจะยืนเดินนั่งและนอนทํากิจอะไรต่างๆสามจริงๆแล้วเราเชื่อไงเชื่อความเห็นเชื่อจิตของต น, นเชื่อนักมายากรว่าวิญญาณาขันเป็นนักมายากรไม่ยอมรัเลยเป็นนักมายากลหลอก ห, หรือไม่หลอกเขาหลอกสังขารขันเหมือนต้นกล้วยเขามีสาระแก่นสารไหมไม่ไม่มีเลย เนี่ยเราเชื่อวัหน ง, งทั้งๆที่เขาไม่มีสาระไม่มีสาระของความเที่ยงของความสุขของความเป็นอัตตาของความงามสัญญาขันเหมือนพยับแดกขนาดนั้นเรายัางเชื่อเลยการจำเนี่ยเวทนาขันเหมือนอะไรเหมือนต่อมน้ำโอ้ยเร็วมากแตกดับเร็วขนาดนั้นนะ รูปราขาเนี่ยเหมือนฟองน้าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดเรายังเชื่อขนาดนี้ให้รูปร่างเรายังดียังไปได้เนี่ยนี่ถามว่าไม่เชื่อแล้วจะเคืออะไรใช่ไหมอย่างนั้นคือความเห็นที่ไม่ตรงไม่ตรงต่ออะไรเป็นไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความไม่ได้เกิดยังคอนแคนไหมยังคอนแคลนบ้นี่ยลักษณะเช่นนี้นะก็พยายามน้อมนึกพิจารณาให้ถูกให้ควรที่นี้ในหน้าที่เออไม่ใช่ในหน้าที่ห้าร้อย สี 43, ในวงเล็บข้อที่101คําว่ายะโตโคนี้เป็นการกําหนดเวลาหน้า143ข้อในวงเล็บเนี่ยหนึเนี่ยคำว่ายะโตโคนี้เป็นการกําหนดเวลานีการกําหนดมีอธิบายว่าในการใดยะโตโคในการใดในการไหนข้อว่าอากุศละมูลันจานี่แก้ซะนะ ให้แก้เป็นใช่ไหมอกุศลันจะให้แก้ใช่ไหมข้อนี้อกุสลันจะประชานาติความรู้ชัดอากุศลคือเป็นสลับของข้อว่าอก ne.. ุสลามูลันจะเนี่ยอกุสลันจะประชานาติเนี่ยข้อนี้ก็ให้ไปเขียนอกุสลามูลันจะแทนใช่คือข้อย่อหน้าข้อว่าแรกนั้นให้มาอยู่ข้อว่าแรกที่สองข้อว่าแรกที่สองให้มาอยู่ข้อว่าแรกที่ที่1อกุสลันจะประชานาติความว่ารู้ชัดอกุศล รู้ชัดด้วยอะไรรู้ชัดด้วยโลกุตลามัคเนวะ่ารู้ชัดในที่นั้นถ้ารู้อย่างอื่นยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หรอกถ้ารู้ชัดด้วย